ถ้าจะยุ่งเหยิงวุ่นวายก็ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่เปที่จบเหมือนกันอย่างวัดของเราถ้าเรากับเองกันแต่ไหนแต่ไรมามีเท่าไร่ก็เท่านั้นแบกเท่าที่จะแบกได้รับเท่าที่จะรับได้คนที่เขามาช่วยก เ, เอามาไมาช่วยก็ไม่เป็นไรผมจะได้จบไปง่ายๆเหมือนกันนะถ้าไม่มักใครไม่มามากก็ยิ่งจบง่าย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 ท่านก็เล่นหนีไปอยู่ในปา่าขอลาพระสงฆ์ไปพอออกพรรษาพระษารีบุตรกับเขาไปกราบลาพระพุทธเจ้าจะไปเยี่ยมน้องชายอายุเจ็ขวบอยู่ในป่าพระพุทธองค์ก็บอกว่าเออถ้าสาร็บุตรไปเราก็จะไปด้วยไปเยี่ยมเลวะตะสัมมาเนนจากนั้นพระองค์ก็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 เป็นร้อยร้ยกว่ากิโลแต่ไปทางตรงเนี่ยจะรัดใจะเวลาน้อยพระพุทธโงค์ถามพระอ น, นุ์ว่าพระศิวลีมากับพวกเราไหมเนี่ยพระนุนบอกว่ามามาพระเจ้าค่ะเออเอาถ้ามาไปทางตรงเลยถ้าพระศิวลีมาด้วยให้ไปทางตรงเลย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 ก็จะเป็นเลิศกว่าพิสุทั้งหลายในอาเตเลกาลา บ, บ, บพระระศรีวุลีไปน่าสถานที่ใดรวยเหมือนกับหลวงตามหาบัวท่านไปที่ไหนมีแต่คนถวายจตุปัจจัยท่านเนี่ยพวกเราเห็นไหมเนี่ก็เหมือนกันนะพระศิวะลีท่านกับไประยะทางที่ไปนั่นแหะพอตอนเช้ามาเทวดามาใส่บาดแต่พวกเราท่านทั้งหลายไม่รู้อันนี้คือเทวดาเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาเนี่ย แต่ว่าเป็นเทพเจ้าเหล่าเทวาที่มาใส่บาตรจะรู้ได้แต่คือผู้มีอิทธิฤทธิ์เป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นจะรู้ได้ว่านี่คือเทวดากานอกจากนั้นเราก็เหมือนกับมนุษย์มาใส่บาตรธรรมดาจนเดินไปถึงที่พักของพระเรวตสมเนน้อยสมมาเนน้อยเรวตมรสมาเนอหมน้อสมาเน้อยเวตสมาเนเสมมยอตมาเน้าเเสั็มมา เลววตาก็พระกี่องค์พระห้าร้อยกว่านะกนีลมิตรศาลาขึ้นมานิรมิตรที่พักพาอาศัยทิลรมิตรกุตติเออต็มไปหมดในป่านะให้ครอบทุกหลังอยู่แบบสบายนะอิทธิฤทธิ์ของเลวะตะนะสมมาเนรพระกุธองค์ก็เข้าไปประทับ่พระสงฆ์หลายเข้าไปพัก มีหลวงตาแก่สององค์มาคุยกันทนน่โอ้ยพระพุทธเจ้าเสด็จมานี่ยเอาอกเอาใจภาษาเลยบุตรเฉยเห็นไหมมาอยู่เพียงไม่กี่เดือนสามสี่เดือนมาสร้างอาคารสร้างศาลาสร้างที่พักพักอาศัยจะเอาเวลาไหนไปภาวนาเห็นไหมภาษาเลยบุตรนะมาเยี่ยมน้องชาย พระพุทธองค์ก่อนเอาใจภาษาเลบุตรก็มาด้วยกันแต่สัมมาเนธ เ, นธ เ, นธเกวาตาเนี่ยดูใช่มาอยู่ในป่าเนี่ยอยู่สังสามสี่เดือนสร้างลูหลาขนาดนี้จะเอาเวลาไหนหภาวนาอสองขัวาตาถกเถียงกันว่างั้นเลเพราะว่าไม่รู้ความอิทธิฤทธิ์นคืออะไรนะปุตชนก็มีได้ ไปที่ไหนมันชนดะไปเรื่อยอย่างนั้นอ่ะอ๋อปุตุชนมันชนดะไปเรื่อยทีนี้ก็เมื่อพระองค์พักอยู่ที่นั่นพอสมควรแล้วก็เออเอาเลวตะสมมาเนเนเอเราจะได้ลาแล้วนะทีนี้นะกรับผมพระเลวตะก็สัมมาเนนก็ไปส่งตามส่งพระพุทธเจ้าตามส่งพระพี่ชายภาษาริบุตรพระสงฆ์ทลายก็ออกมาทั้งหมด พระพุทธองค์พระพุทธเจ้ารู้ว่าสองหลวงกัวตาเนี่ย <S <S <อ>มีทิฏฐิมีมานะมีความไม่เชื่ออยู่ในใจพระพุทธองค์ให้ลืมเลย่ะลืมของกลองน้ำลืมทำมะกกลืมของใช้ของตัวเองออกมาแบบลุกลี้ลุกลนลืมของพอเดินมาสักพักใหญ่หนึ่งตายเราลืมของสองขัวตา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 พระองค์ประทับแล้วก็พร้อมพระสงฆ์เสจตนนภาพาสงฆ์ที่อยู่ของพระสงฆ์นะเข้าไปแล้วไม่มีเลเดินเข้าไปมุดไปไปมุดามเอ๊ะไม่ต้นไม้ตัวนี้นะที่เราเห็นไอ้ต้นไม้ตัวนี้นะที่เราเห็น่น ม, นนนมุดไปมุดมาเราไปเห็นแต่ของกลองน้ำํำทำมะกรกแล้วก็ของใช้ตัวเองห้อยอยู่ในกิ่งไม้พอเห็นห้อยในกิ่งไม้ก็เลยเอาทำมรกรกเอาของกลองน้ํำไรเสร็จเรียบร้อยก็เดินอ้าว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 สมเป็นผู้มีบุญหนักศัก์ใหญ่จริงๆเห็นแล้วโอ้น่าปลื้มใจน้าพักผ้าใสจริงๆที่พักของพระเลวะตะสมณเณรเลวะตะพอจากมาันมาขัวาตาสอง ข, าาขัวตาเนี่ยเขาไปถึงนาวิสาขากระยำเง่ายพระคุณพระท่านมาจากไหนสององค์เนี่ยมาจากนู่นแล้วมาจากตามเสด็จไปพัก เยี่ยมพระเลวตะน้องชายภาษาลิบุตรที่ท่านอยู่ในป่าพระพุองค์พรอ้อมับพระสงฆ์เสด็จไปและก็ได้ตามสเสด็จปท่านไปไปไงท่านท่านไปเห็นที่พักของพระสมณเณรเลวตะาแล้วเขาว่าสวยงามหรูหราใจไหมโอ้มีแต่ป่าดงพงไพ่นี่เอออาตมา ผ้าจีวรก็ยังขาดหนามก็ยังปักเท้ายังเป็นรอยอยู่เนี่ยมีตาป่าดงดูดูเราเหมือนที่อยู่เหมือนอยู่เหมือนที่อยู่ของเปลลดังนั้นยังดูถูกปป อ, อีกเอเหมือนที่อยู่ของเปลลดนะูอยู่ยังไงก็ไม่รู้ดูป่าดงพงศไพโอไม่น่าอยู่เลยนางวิสาขาได้ยินท่านั้นเออแปลกใจทําไม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 เพราะนั้นก็เลยความดูถูกเทราะนั้นก็เลยเจอกับตนเองเนี่ยอันนี้หลวงพ่อเองไม่เป็นอย่างพระเลวะตะเพราะนั้นคณะสัตยาติโยมลูกหลานเข้ามาเกี่ยวข้องกับหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ตามมีตามเกิดมีอะไรก็เอาห้องน้ำห้องท่าบังอะไรที่พักพาใส่ที่พักใดพักเลยนะลูกหลานนะคืนเดียวั่งหรอกซาลาก็มี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 พรงกล่าวฉุนทรพฤษอะไรตัใครคาดว่ากล่าวเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นกล่าวที่สุนทรพฤษว่าเรามองดูทกแห่งหนด้วยจิตแหมด้วยจิตที่เป็นกลางด้วยจิตที่เป็นธรรมไม่มีใครรักยิ่งกว่าตัวของเราเอง